เรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตาสมัยนั้นไม้ป้ายยาตาตกที่พื้นจงเปื่อนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภาชนะสำหรับเก็บไม้ป้ายยาตาสมัยนั้น